วันนี้เป็นวันอังคารที่14เมษายนพุทธศักราช2569เป็นวันหยุดช่วงเทศกาลสงการท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมจึงมีเวลาว่าง สงหรับการมาวัดเพื่อมาสั่งเทศสั่งธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้เบาบางลงไปและให้หมดสิ้นไปตามลำดับต่อไปธรรมะที่ยาวมาฝากท่านในวันนี้ ก็มีหัวข้อว่าความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทด้วยการละลิกด้วยการถามตนเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังก่อพบก่อชาติ หรือว่าเรากำลังตัดพบตัดชาติถ้าเราไม่ถามตัวเองไม่คอยสังเกตดูพฤติกรรมของเราเราอาจจะไปทำสิ่งที่จะเป็นโทษกับเราแต่ถ้าเราคอยถามตัวเองอเรื่อยๆและเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามา เทียบเทียบดูกับการกระทําของเราเราก็อาจจะรู้ว่าเรากำลังไปในทิศทางใดเรากำลังสร้างภพสร้างชาติให้มีมากขึ้นสร้างการเวียนว่ายตายเกิดให้มีมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเรากำลังตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปและให้หมดสิ้นไปตามลำดับ การสร้างพบสร้างชาตินี้ก็เกิดจากการกระทําตามความอยากต่างๆความอยากได้ลาบยศสรรเสริญความอยากได้ความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลผลภานความอยากเหล่านี้เป็นตัวที่จะทําให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆเพราะการที่เราจะ ทำสิ่งที่เราอยากได้คืออยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรถผลตภาพมาเสกเราก็จําเป็นที่จะต้องมีร่างกายนั่นเองถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่สามารถที่จะทําตามความอยากของเราได้เมื่อเรามีความอยากเราก็เลยต้องไปคอยหาร่างกาย อันใหม่มาแทนอันเก่าอยู่เรื่อยๆเพราะว่าร่างกายแต่ละร่างกายนี้ก็มีขอบเขตมีอายุไข่คืออยู่ได้ระยะหนึ่งมันก็ต้องถึงแก่ความตายไปเช่นร่างกายของเราที่มีอยู่ขณะ น, นี้มันก็กําลังเดินเข้าสู่ความตายไปเรื่อยๆ วันละเล็กวันละน้อยตามการเคลื่อนไหวของเวลาของแต่ละวันวันเวลาผ่านไปผ่านไปร่างกายของเราก็จะมีอายุมากขึ้นมีเวลาที่จะอยู่ในโลกนี้น้อยลงไปตามลำดับแล้วในที่สุดมันก็จะต้องถึงแก่ความตายไป พอร่างกายตายไปใจที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาลาบยศสนเสริญหารูปเสียงกิจรสผด ถ, ถ้ภผต่างๆมาเสพนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่ยังมีความอยากที่จะเสพลาบยศสนเสริญเสเพลูปเสียงกิจรสผดถ้าผ้าอยู่ก็จะไปรอรับร่างกายอันใหม่ต่อไป ก่อนที่จะไปรับร่างกายอันใหม่ก็จะต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนถ้าทำบุญมากกับบาปก็จะได้ไปรับผลบุญก่อนจนกว่าผลบุญนี้หมดกำลังลงถึงจะสามารถไปรอรับร่างกายไปเกิดใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็จะดวงวิญญาณดึงดวงวิญญาณให้ไปเกิดในอบาย ไปเป็นเดรัฉานเป็นเปรตเป็นนกสกศลกายหรือไปตกนรกบ้างพอบาปหมดกำลังลงดวงวิญญาณถึงจะได้มีโอกาสมารอรับร่างกายอใหม่ม า, ม, าามาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่พอมาเกิดใหม่ก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ของการดำรงชีพเกิดมาแล้วก็ต้องดินง้นรนเลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต่อสู้กับภัยต่างๆ มากมายภัยจากภัยจากธรรมชาติภัยจากบุคคลที่ที่ที่โหดร้ายทารุณภัยจากสัตว์ในราชาต่างๆภัยจากโรคภัยไข้เจ็บล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นพอได้มาเกิดแล้วก็ต้องมาฟันฝ่ากับอุปสรรคต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะได้ไปเสภ ไปหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกล็ดรถมเสกไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็ท้องแก่เจ็บตายเวลาแก่เจ็บตายก็ต้องมาทุกข์ทรมานกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายกนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นถ้าเรายังแสวงหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกล็ดรถผดผลาชนิดต่างๆอยู่ ถ้าเรายังอยากร่ําอยากรวยอยากมีเงินมีทองไว้ใช้มากมากนี่อันนี้แหละเป็นตัวเที่ดึงให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเรายังอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมียศมีตําแหน่งสูงสูงถ้าเรายังอยากให้คนสนรรเสริญยกย่องเยินยอเราให้เกียรติเราให้รางวัลเรา ถ้าเราแสวงหาสิ่งเหล่านี้มาเสรมาให้ความสุขกับเราเราก็จะต้องกลับมาหามันอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถให้ความอิ่มความพอกับเราได้เวลาที่ได้มาใหม่ๆก็มีความสุขไปสักระยะหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะหายไปทำให้เกิดความรู้สึกอ้างวาง้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเหมือนกับไม่มีอะไรเหมือนกับไม่เคยได้อะไรมาก่อน ทำให้เกิดความหิวความอยากใหม่อยู่เรื่อยๆได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเช่นคนที่ได้เงินทองนี่ตอนต้นคิดว่าได้สักร้อยหนึ่งก็จะมีความสุขแต่พอได้ร้อยแล้วมันได้ความสุขเพียงเดี๋ยวเดียวหลังจากนั้นก็อยากจะได้มากขึ้นกว่านั้นได้ร้อยก็อยากจะได้เป็นพันพอได้เป็นพันก็อยากจะได้เป็นหมื่นได้เท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอ ก็ต้องดิน้นลนคอยวิ่งหามันอยู่เรื่อยๆหาไปจนวันตายพอตายแล้วก็ยังดิ้นต่อไปไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะมาหาเงินหาทางอันใหม่อีกนี่นะคือผลจากการที่เรายังมีความอยากในราบยศจราเสริญ ในลาบยศชนะเสริงในรูปเสียงกลิ่นรสผดสภาพชนิดต่างๆอยู่นี่คือการกระทาที่ก่อพบก่อชาติเราอาจจะคิดว่าเรายังต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่อันนี้ก็ไม่ปฏิเสธหาได้เราจะเป็นต้องหาปัจจัยสี่เราเลี้ยงดูร่างกายแต่เราไม่จาเป็นจะต้องมีปัจจัยสี่ของแบบมาหาเศรษฐี ต้องมีบ้านใหญ่โตโ ห, หลานราคาเป็นร้อยล้านพันล้านหรือต้องมีเสื้อผ้าพนที่มีราคาแพงแพงมีอาหารที่ราคาแพงแพงมียารักษาโรคมีหมอมีโรงพยาบาลราคาแพงแพงมาคอยรักษาเราอปัจจัยสี่จะราคาแพงหรือราคาถูกมันก็ทําหน้าที่ได้เท่ากันเช่อนอาหาร เมือ่อเราอนกับอาหารมื้อละพันกินเข้าไปมันก็ให้ความอิ่มเหมือนกันแต่ค่าใช้จ่ายมันต่างกันร้อยบาทนี้กับพันบาทนี้มันต่างกันถึงสิบเท่าถ้าเรากินอาหารแพงๆเราก็ต้องเสียเวลากับการหาเงินนอมา ก, มา ก, มากๆเพื่อมาใช้จ่ายถ้าเราเสียค่าอาหารน้อยเราก็ไม่ต้องมีเวลาไม่ต้องเสียเวลามาก เรายังต้องมีการมีเวลาเพื่อที่จะมาหยุดการเวียนว่ายตายเกิดของเราให้ได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดตัดพบตัดชาติให้น้อยลงการหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องอยู่ในกรอบของความมากน้อยสันโดษความมากน้อยก็คือ เอาเท่าที่พอพอเพียงกับความต้องการของร่างกายเช่นถ้าเรามีอาหารให้เลือกระหว่างอาหารร้อยบาทกับพันบาทนี้เราก็ควรจะเลือกอาหาร1้อยบาทก็พออาหาร1้อยบาทก็ทาให้เรากินได้อยู่ได้อิ่ได้เท่ากับอาหารราคาพันบาทหรือราคาอาหารราคาหมื่นบาทผลลัพธ์ที่มีเกิดขึ้นกับร่างกายก็เท่ากัน เพื่อร่างกายได้อาหารเพื่อมากําจัดความหิวโหยความกาะดความขาดสารอาหารของร่างกายเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ไปวันๆหนึ่ง น, นี้คือความหมายของคา ม, มากน้อยสันโดษให้ใช้เงินทองกับการเลี้ยงดูร่างกายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ร่างกายอยู่ได้อย่างที่นายหลวงราชกาลที่เก้าท่านเคยสอนไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงให้มีปัจจัยสี่พอเพียงต่อการดำรงชีพก็พอเม่จาเป็นที่จะต้องมีปัจจัยสี่แบบราคาแพง ๆ, ๆการมีอยากจะเลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่ราคาแพงๆอันนี้ก็เป็นความอยากอีกแบบหนึ่งเหมือนกันความอยากที่จะให้คิดว่าร่างกายจะต้องอยู่ได้นานๆเพราะเราใช้ของดีของแพง แต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่มันไม่เป็นเช่นนั้นคนที่เขาไม่ได้ใช้ของดีของแพงก็อยู่เป็นอายุอยู่ยาวนานก็มีมากมายเช่นหลวงพ่อหลวงตาทั้งหลายท่านก็อยู่แบบมากน้อยสันโดษกันกินวันละมือ้อแล้วอาหารที่กินก็ตามตามมีตามเกิดไม่ได้ไปคิดไปหาอาหารชนิดนั้นชนิดนี้มากินตามที่เขาโฆษณากันแล้วแต่ศรัทธาญาติโยมจะเมตตาใส่อาหารอะไรมา ให้ในบาทท่านก็รับความไปฉันแล้วท่านก็ฉันไม่มากฉันแค่วันละหนึ่งมื้อก็พอต่อความต้องการของร่างกายแต่ร่างกายของท่านกับมีสุขภาพที่แข็งแรงโรคภัยไม่มีไม่ค่อยมีท่านอยู่ได้บางองค์อยู่ได้เกินร้อยปีก็มีเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหลงคิดว่า เราจาเป็นจะต้องมีปัจจัยสี่ที่มีราคาแพงๆอย่างนี้ทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงและอยู่ได้ยาวนานออบางคนนี่มีเป็นเศรษฐีแต่อายุไม่ไ ม, ไม่ไม่ถึงเจ็ดสิบก็ตายไปก็มีออส่วนใหญ่ที่มันตายก็เพราะไปเครียดกับการหาราบยศสลาเสริญหารูปเสียงกิจนลดกันซื้อมากกว่าความเทียนนี่แหละเป็นตัวที่จะมาบันทอนชีวิตของร่างกายได้ ความเครีก็เกิดจากความอยากอยากได้ลาบยศสนเสริญสุขมากๆแต่ก็ต้องเจอกับอุปสรปษษรคชนิดต่างๆคอยขาดขวางเลยทำให้ไม่สมหวังไม่ก็เลยทำให้เกิดความเครียดต่างๆขึ้นมาถ้ารู้จักหาปัจจัยสี่แบบพอเพียงนี้จะไม่ต้องเครียกกินวันละมื้อได้ น, นี่ลดค่าใช้จ่ายไปได้เย อ, อยะแยะ เสื้อผ้ามีเสื้อสามสี่ชุดก็พอชุดหนึ่งไว้ใช้ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไว้สำรองสามชุดนี้ก็พอแล้วรองเท้าก็คู่เดียวก็พอเรานั้นก็มีเท้าอยู่คู่เดียวทําไมต้องมีรองเท้าเป็นร้อยคู่ใส่รองเท้าเราก็ไม่ได้ใส่ทีเดียวร้อยคู่เราก็ใส่ทีละคู่เท่านั้นเองอันนี้คือการบริโภคใจสี่ด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผล ด้วยความมากน้อยสันโดษถ้าเราอยู่แบบคนมากน้อยสันโดษได้เราจะไม่ต้องดิดน้นรนหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมากจนเกินไปเราจะได้มีเวลามาตัดภพตัดชาติกันจะดีกว่าแะเครื่องมือที่จะทำให้เราตัดภพตัดชาติได้ก็คือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่สรงสอนให้เราปฏิบัติอยู่สข้อด้วยกันคือหนึ่งให้เราทำบุญทำทานข้อสองให้เรารักษาศีลข้อสให้เราบาเพ็ญ จ, จิตตาภาวนาซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภ ค, ความอยากต่างๆตัวที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันนี่คือวิธีการตัดทบตัดชาติ ของพระพุทธเจ้าที่พระพเจ้าได้ทรงทําสําเร็จมาแล้วได้ตัดภพตัดชาติได้อย่างสิ้นเชิงพระองค์รู้ว่าพระองค์จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปแล้วหลังจากที่ได้ตัดภพตัดชาติได้ตัดสิรูุแล้วพระองค์ก็นำเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาจากการปฏิบัติของพระองค์เอามาเาผยแพร่สั่งสอนให้กับพวกเราที่ยังไม่รู้ ว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่<ม>เราจะคิดว่าเรากำลังหาความสุขหาความเจริญให้กับตัวเรา<ม>แต่เราไม่รู้ว่าตัวเรานั้นที่แท้จริงคือใคร<ม>เราไ ม, เไม่เคยเห็นตัวจริงของเราตัวจริงของเราก็คือจิตใจนี่แหละ<ม>ส่วนน่่งกายนี้มันเป็นเพียงผู้รับใช้เราเท่านั้นเองเรากาลังมารับใช้ผู้รับใช้เราอีกที ด้วยการมาดูแลร่างกายของเราอย่างอย่างสุดความสามารถพยายามเลี้ยงดูให้ร่างกายให้อยู่ไปนานๆให้ร่างกายมีความสุขไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ทําอย่างไรมันก็ผลธรรมชาติของร่างกายไปไม่ได้เพราะร่างกายเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็จะต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปตามลําดับ ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามร่างกายของมหาเศรษฐีหรือร่างกายของของขอคนขอทานข้างสนนก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันมีอายุพอๆกันไม่เกินร้อยปีเป็นอย่างมากเรากําลังไปดูแลรักษาสิ่งที่เรารักษาไม่ได้ดูแลไม่ได้สิ่งที่เราดูแลได้รักษาได้คือใจเรากลับไม่ได้ดูแลเราปล่อยให้ใจนี้ถูก อำนาจของความหลงดอกให้ไปทุกกับการห า, ราลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกดลิ่นรสมาเสรเพราะเราคิดว่านี่คือความสุขที่แท้จริงซึ่งความเป็นจริงแล้วมันเป็นความทุกข์ที่แท้จริงเสียมากกว่าเพราะความสุขที่ได้จากาลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกดลิ่นรสนี้เป็นความสุขชั่วคราวประเดียวกะดาวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไป พอหมดไปมันก็ทําให้เรารูสรร้สึกเศร้าซ้อยเหงาเหงารู้สึกบ้าเวต้องทาให้เราจะต้องคอยไปหาราบยศสารเสริญสุขมาเติมอยู่เรื่อยๆทั้ทงๆ ท, ที่ของเก่าก็ยังมีอยู่ต้องเยอะแยะแต่ของเก่าที่เราได้มาแล้วมันกลับมันไม่ได้ทําให้เรามีความสุขเหมือนตอนที่เราได้มันมาใหม่ๆเวลาได้มันมาใหม่ๆมก็รู้สึกดีออกดีใจแล้วสักพักหนึ่งพออยู่กับมันไปพอชินกับมัน มันก็ไม่ได้ทําให้เราเกิดความรู้สึกสุขใจแต่อย่างใดมันกลับทําให้เรารู้สึกว้าเว่เศาซ้าซาอยหงอยเหงามันไม่สามารถมารลับดับความว้าเว่เศาสร้อยหงอเหงาของเราได้มันจก็เลยทําให้เราจะต้องคอยไปหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกิตรถมาตามอยู่เรื่อยๆยิ่งหามากก็ยิ่งก็ยิ่งเพิ่มความอยากให้มากขึ้น ความอยากมากขึ้นก็จะทําให้การกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมีกําลังมากขึ้นอีกพะพุทธเจ้าจึงทรงสวิธีแก้ความอยากเหล่านี้ด้วยการทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาด้วยการชาระจิตใจหยุดความอยากต่างๆให้มันหมดสิ้นไปจากใจขั้นต้นเราก็ทําทานเพื่อหยุดความอยากที่จะใช้เงินทองไป ซื้อความสุขจากรูปเสียงกลินลดต่างๆพอเรามีเงินเรามักอยากจะเอาเงินนี้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันถ้าเรามีเงินพอกินแล้วเงินที่เหลือเราก็มักอยากจะไปซื้อความสุขในรูปแบบของรูปเสียงกลินลดต่างๆอยากไปเที่ยวกันอยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยมาเสพกันซื้อของราคาแพงๆมาใช้กันเพราะเราคิดว่านี่แหละคือความสุขของชีวิต แต่หารู้ไหมว่ามันเป็นความสุขแบบยาเสพติดซื้อมาแล้วเส่มาแล้วมันจะติดจะต้องคอยซื้อใหม่อยู่เรื่อยๆของเก่าที่ซื้อมาแล้วมันก็ไม่มีความหมายแล้วความสุขที่ได้จากมันมันก็หมดไปแล้วต้องไปซื้อของใหม่มาเติมอยู่เรื่อยๆเยติมเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วก็อาจจะทําให้เงินทองไม่พอใช้ก็ได้ต่อไปถ้าใช้แบบไม่มีเหตุไม่มีผล ท่านบอกว่าเอาเงินแบบนี้เอาใช้เงินแบบนี้เอาเงินมาทำบุญทำทานดีกว่าเอามาบริจาคช่วยสังคมช่วยองค์กรที่ทำหน้าที่ที่ทำคุณทำประโยชน์ให้กับสังคมหรือช่วยบุคคลต่างๆที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเป็นต้นการได้ทำบุญนี้เป็นการให้ความสุขกับผู้อื่นแล้วเมื่อเราให้ความสุขกับขผู้อื่นความสุขนั้นก็จะกลับมาในใจของเรา ใจของเราก็จะเกิดความรู้สึกมีความสุขใจอิ่มใจความสุขใจอิ่มใจนี้ต่างจากความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มกันมันจะทำให้ใจเราไม่รู้สึกอิ่มอิ่มเอบใจไม่หิวโหวยไม่อยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไม่อยากจะไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอะไรการทำบุญทำทานนี้จะช่วยลดละความอยาก การเสพรูปเสียสงกดลิ่นรสต่างๆได้นีอ่อันนี้ก็เป็นการตัดทุกข์ตัดชาติท่านที่หนึ่งทุกครั้งที่เรามีเงินทองเหลือกินเหลือใช้แล้วเราอยากจะไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกดลดิ่นรสในรูปแบบต่างๆเราเอาเงินนี้ไปทําบุญดีป่ะแล้วมันจะทําให้ความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆนี้ลดน้อยถอยลงไปตามลำดับ แล้วบุญที่เราทํานี้มันก็สะสมอยู่ในใจของเราให้ใจเรามีความสงบใจอิ่มใจไม่รู้สึกเศร้าสร้อยองหงอยเหงาว้าเว่เวลาที่เราไม่ได้ไปเที่ยวไปกินไปเดื่มแล้วเวลาตายไปบุญนี้ก็จะส่งใจให้เราถ้าเรายังไปถ้าเรายังหยุดการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้บุญก็จะส่งใจเราให้ไปอยู่ในสวรรค์ก่อนแล้วพอบุญหมดก็กลับมาก็จะให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีฐานะมั่งคัง่ง มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีอายุมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวนานมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณผ่องใสเป็นต้นนี่คืออันนิสงของการทำบุญทาทานทำทานล้วจะละความอยากในรูปในรูปเสียงกิจลดผลิตภัพได้ในระดับหนึ่งแล้วข้อที่สองก็คือการรักษาศินการรักษาศีนก็เป็นการสกัดกั้นความอยากที่จะทา อยากจะได้ความสุขจากราบยศสรรเสริญแต่บางครั้งอาจจะต้องไปทำไปเบียดเบียนผู้อื่นอาจจะต้องไปโกหกหลอกลวงอาจจะต้องไปประพฤติผิดในการอาจจะต้องไปรักทรัพย์ชอโกงหรืออาจจะต้องไปฆ่าผู้่ถ้าเรารักษาศีลและมีศีลห้าไว้เราก็จะป้องกันไม่ให้เราไปทําตามความอยากเหล่านี้ได้ความอยากที่จะไปทําความชั่วมันก็จะไม่มีเวลาตายไป เมื่อเราไม่ได้ทํำบาปเรามีแต่บุญทําแต่บุญเราก็ไม่ต้องไปเกิดในัยบายไม่ต้องไปรับโทษไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนสโรกายหรือไปนรกอั<ม>นนี้นี่คือขั้นขั้นตอนสองขั้นแรกเป็นการสกัดกั้นการเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติให้ไปเวียนว่ายตายเกิดในสุขคติตายไปก็ไปสวรรค์ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีอาถรรพ์หนมั่งข้างล่ำรวยมีสุขภาพดีมีล่างาผิวพรรณ่องใสเพื่อที่จะได้กลับมาทำบุญเพิ่มเติมต่อไปไม่ต้องไปเกิดเป็นเดราาัจฉานเป็นเปรตเป็นอสูรกายหรือไปตกนรกพอเรารักษาสิล5ห้าได้แล้วเราก็จะมีกำลังที่จะขยับขึ้นสู่การรักษาสิน8แปดเพื่อไปซักฟอกจิตใจด้วยการบาเพ็ญจิตตภาวนา การทักพอกจิตใจนี้จาเป็นจะต้องละการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสสินแปดนี้ก็มีข้อมีสี่ข้อที่ห้ามการเสพกามห้ามร่วมหลับนอนกันห้ามกินอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายไม่ให้กินตามอาหารตามความอยากไม่ให้กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ให้เสพรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบของบันเทิงมหรศพต่างๆไม่ให้ดูหนังฟังเพลง ไม่ให้เสริมสวยความงานของร่างกายโดยเสื้อผ้าผ่อนที่วิจิตพิสดารด้วยน้ำมันน้ำหอมเครื่องสำางต่างๆแล้วก็ไม่ให้นอนมากเกินไปโดยไม่ให้นอนบนเตียงที่มีฟูกหนาๆเพราะมันจะสุขสบายเกินไปร่างกายถ้านอนในที่ร่รางกายถ้าเวลาเหนื่อยเวล่เวลาจะนอนนี่นอนที่ไหนก็ได้ หลับได้ง่ายถ้าง่วงนอนแล้วถ้านอนบนพื้นแข็งๆนี่ก็จะนอนได้หลับได้พอร่างกายได้พักผ่อนสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายจะได้มีเอาเวลาของการหลับนอนนี้มาให้กับการซักฟอกจิตใจต่อไปถ้านอนบนฟูกหนานๆนี่เวลาร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงสี่ห้าชั่วโมงแล้วตื่นขึ้นมาใจจะไม่อยากจะลุก ก็จะข อ, อนอนต่ออีกสองสามชั่วโมงหรือสี่ห้าชั่วโมงก็จะทำให้สูญเสียเวลามีค่าของการปฏิบัติทำการทักพอ้อจิตใจไปเป้าหมายของการถือศีลเหล่านี้เพื่อให้เราระงรับการหาความสุขทางรูปเสียงกิ่นแล้วให้เอาเวลานี้มาให้กับการเจริญภาวนาสมถะภาวนาคือการทำใจให้สงบให้นิ่งเป็นสมาธิก่อนเมื่อทาใจให้สงบให้นิ่งเป็นสมาธิได้แล้วใจจะมีความอิ่มมีความสุข มันจะไม่หิวโหยกับรูปเสียงกลิ่นรสเด็กต่อไปแต่เป็นความสุขความอิ่นเพียงชั่วคราวขณะที่อยู่ในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาพอใจเริ่มคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเริ่มสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสความอยากเดิมที่มีอยู่ก็จะกลับคืนมาอีกเพราะว่าสมาธินี้ไม่เป็นเหมือนหินทับหญ้าเวลาเราหินไม่ทับหญ้าหญ้าก็จะงอกขึ้นมาไม่ได้ แต่พอเราเห็นออกจากหญ้าไปไม่นานพอหญ้าได้ดินได้ได้น้ำได้ได้แดดเดี๋ยวมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้กิเลสก็แบบเดียวกันเวลาเอาเข้าสมาธิกิเลสก็เหมือนตายไปเวลาอยู่ในสมาธินี้ความโลภความอยากต่างๆไม่มีมีแต่ความอิ่มความสุขความพอแต่สมาธินี้เป็นของชั่วคราวอยู่ได้ไม่นานก็ต้องถอนออกมาพอถอนออกมาความโลภความ ยาต่างๆก็จะกลับคืนมาอีกถ้าเราอยากจะกาจัดความโลภความอยากอย่างถาวรเวลาออกจากสมาธิมาแล้วเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เราเห็นว่าความโลภความอยากในสิ่งที่เราต้องการต่างๆนี้มันเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นให้ความสุขได้ชั่วคราวแล้วพอมันหมดไปแล้วจากเราไปมันก็จะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจ ให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราในที่สุดมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ข้าง้น่อให้เห็นว่าเป็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลอยอำนาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นลาบยดสรรเสริญเห็นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่อยากได้อีกต่อไปต่อไปความอยากต่างๆที่มีในใจของเราก็จะหมดสิ้นไป เมื่อไม่มีความอยากแล้วใจเราก็จะสงบตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาไม่มีความหิวความอยากความต้องการอะไรอีกต่อไปจิตเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปออนี่แหละคือจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอนันตสาวกที่ท่านที่ท่านได้ปฏิบัติทานศีลภาวนา ม, มาจนสามารถหยุดความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดเส้นไปได้ทุกๆพระ อ, องค์ ต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องสละราชสมบัติมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอยู่ในวางก็สละหมดแล้วก็ไปบวชไปถือศีลแปศีลสิบกันศีลสองิบเจแล้วก็ปฏิบัติสมมาทาภาวนาทําใจให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิเป็นฌานก่อนแล้วพอได้สมาธิได้ฌานแล้วเวลาออกจากสมาธิออกจากฌานพอเกิดปัญหาความอยากก็ใช้ปัญญาสอนใจ ให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้ล้วนเป็นทุกข์ล้วนเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากจะเสไม่อยากจะได้มันอีกต่อไปต่อไปความอยากต่างๆที่มีในใจก็จะหมดสิ้นไปอ น, นี้แหละคือวิธีการของการกำจัดพบชาติต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนา ที่พระเจ้าและพระอาจารยสาวกทั้งหลายได้ได้ทรงปฏิบัติและได้นำมามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเรามาปฏิบัติกันดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะลำาลึอกอยู่เรื่อยๆเพื่อความไม่ประมาทก็คือต้องถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปทอตื่นขึ้นมาแล้วก็ถามตัวเองเล ว, วันเวลาผ่านไปอีกวันแล้วเรากาลังทาอะไรอยู่เรากาลังไป ก่อภพก่อชาติสร้างพบสร้างชาติให้มีมากขึ้นด้วยการทำตามความอยากในราบยศสารเสริญสุขหรือว่าเรากำลังตัดพบตัดชาติด้วยการทำบุญทาทานรักษาศีลภาวนาอันนี้ลหละจะเป็นเป็นตัวที่จะทำให้เราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทพอเรารู้ว่าเราต้องทำทานรักษาศีลภาวนาเราไม่ต้องไปหาราบยศสรเสริญสุขถ้าเรามี ปัจจัยสีพอเพียงแล้วเราก็เอาเวลามาทำทานรักษาศีลภาวนาดีกว่าแล้วต่อไปพบชาติต่างๆที่เราสะสมว่าในใจของเรามันก็จะหมดไปในที่สุดได้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไปเพราะว่าทุกย่อมมีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นทุกย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตามใดยังมีการเกิดอยู่ตามนั้นก็ยังมีความทุกข์อยู่เสมอไป ดังนั้นเราต้องหยุดความการกลับมาเกิดให้ได้ด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าปฏิบัติได้มากก็จะหยุดได้เร็วถ้าปฏิบัติได้น้อยก็จะหยุดได้ได้ช้ากว่าเท่านั้นเองแต่ถ้าเราปฏิบัติไปอย่างไม่หยุดไม่ย่อนวันหนึ่งเราก็จะต้องสามารถหยุดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่น อ, น, อนนี่คือเรื่องของความไม่ประมาทที่เอามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาเพราะต่อไปนี้เราจะมาปฏิบัติทำกันขั้นสมาธิขั้นสมาถาภาวานารักพออจิตใจให้สะาดาทานเราก็ทำมาแล้วตอนเช้าหรือเมื่อวานนี้ก็ได้ทาบุญทำทานอยู่เรื่อยๆใส่บาตรบ้างถวายจายเงินให้กับวัดบ้างให้โรงพยาบาลบ้างให้กับผู้ผู้สูงอายุบิดามารดาของเราเป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทาบุญทาทานแล้ว ศีลห้าแล้วตอนนี้เราก็มีศีลกันยอยู่แล้วเพราะเรานั่งเฉยๆเราไม่ได้ฆ่าสัตว์รักษาประพฤตผิดในกาไม่ได้พูดปดไม่ได้ดื่มของมุนเราฉะนั้นเราอยู่ในสถานภาพพร้อมที่จะภาวนาได้การจะภาวนาให้ได้ผลคือให้จิตสงบเป็นสมาธิได้เราต้องมีสติเราเลืกรู้ออยู่กับอารมณ์ที่เรียกว่ากรรมาฐานอารมณ์กรรมาฐานนี้มีหลายชนิดด้วยกัน อย่างที enrolled, so right ่เราใช้กันนี้ก็มีอยู่สองสามชนิดคือการบริกรรมพุทโธพุทโธอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานอย่างหนึ่งหรือการดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งหรือถ้าเรายังคิดมากยังไม่สามารถดูลมได้ไม่สามารถบริกรรมพุทโธได้เพราะใจกําลังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ใช้การสวดมนเป็นอารมณ์แทนไปก่อนก็ได้สวดสวนมนบทไหนก็ได้ที่เราจําได้ สวดลลายๆรอบไปเช่นมีการแนะนําว่าสวดอิติปิโสตามอายุของเราแต่ไม่จําเป็นจะต้องกี่รอบข้อสําคัญคือส่วนไปจนกว่าความคิดฟุ้งซ่านต่างๆมันระงับลงไปพอมันระงับลงไปเราสามารถกลับมาดูลมร่ายก็เปลี่ยนมาดูลมแทนหรือถ้าเราชอบบริกรรมพุโทโธเราก็กลับมาบริกรรมพุโทโธแทนพอเราเลือกพุโทโธหรืเรอเลือกลมนะเราก็ต้องอยู่กับกรรมฐานานี้ไปจนกว่าจิตจนิ่งสงบ อยไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆไม่มีเหตุมีผล <S <S ให้เปลี่ยนด้วยด้วยเหตุมีผลถึงจะเปลี่ยนได้ <S <S 1> <S 1> แต่พอเราดูลมได้ก็ไม่มีเหตุมีผล จ, จะต้องเปลี่ยน <S <S ถ้าเราบริกรรมพุทโธได้เราก็ไม่ต้องมีเหตุผลจะต้องเปลี่ยนก็ให้ใจอยู่กับกรรมฐานนี้เพียงอย่างเดียวใจถึงจะสงบได้อย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏเข้ามาในใจอาจจะมีเสียงเข้ามาอาจจะมีภาพเข้ามาอาจจะมีอารมณ์ต่างๆเข้ามา อาจจะมีความคิดต่างๆเข้ามาอย่าไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานไปถ้าเราไปสนใจกับอารมณ์ต่างๆแล้วมันจะทำให้ใจเราไม่สงบต้องอยู่กับ ก, บกรรมฐานเพียงอย่างเดียวถ้ามีพุโทธโธใช้พุทโธก็อยู่กับพุโทโธไปไม่สนใจกับอะไรที่เข้ามาแล้เดียวสิ่งที่เข้ามามันก็จะหายไปเองถ้าเราอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆถ้าดูลมก็ดูลมไปเพียงอย่างเดียวใจ ถ, ถึงจะสงบได้ พอใจสงบแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเป็นความสุขที่มหัศจรรย์ใจเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วมันจะทําให้ใจเรามีกําลังที่จะเลิกการไปหาความละหาลาภยศสรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกิริยเด็กต่อไปได้นะต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันประมาณสักยี่สานาที ตอนนี้เวลาสาหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนจะเลิกโปรดสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบไหมถ้าสงบดีก็ให้จดจาวิธีนั่งของวันนี้ไว้คราวหน้าเวลามานั่งใหม่ก็จะใช้วิธีนี้ได้แล้วก็จะสงบได้เหมือนวันนี้แต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบนี้มันจะไม่ได้ทาให้สงบต้องวิธีนั่งแบบวันนี้ จดจำวิธีแว้ให้ดีถ้าสงบดีถ้าสงบถ้ายังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังไม่ต่อเนื่องยังมีกำลังน้อยต้องหมัน่นเจริญสติระหว่างวันก่อนที่เราจะมานั่งฝึกสมาฝึกสติไปเรื่อยๆทุกวันตั้งแต่ตื่นจนหลับบริกรรมพุทโธใบในใจอยู่เรื่อยๆหรือคอยเฝ้าสังเกตดูว่าเรากาลังทำอะไรอยู่แล้วต่อไปเราจะมีสติมากขึ้นเวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายขึ้น ถ้าต่อไปนี้จะขออนุมโมทนาให้พรยะทาวาลิวาหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวเมีวาอิโตจินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิตเมวาสมิจุจโตสพเพปุเรนตูสังกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโลกวินาศตุมาเตภวะตวันตรลายุสุขีติขายุโปภวะ อาภิวาทนาสีฤทสานิจามุทาปจายโนจตารธรรมะวะทานติอายุวันโสุขังภาลาัง<ะ>ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย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 สามร้อยสิบสามท่านทาง u t u b e ดรวียี่สิบสองท่านทางขับเฮา u ์สี่ท่านทางวิทยุออนไลน์ห้าท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดท่านรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยสี่สิบแปดท่านครับกรับนมศการพระอาจารย์ค่ะมีคำถามฝากถามเข้ามาว่า ถ้าเราเผอลอโกรธโมโหเพราะขาดสติขาดสมาธิแต่พอเรามีสติเราดับความโกรธความโมโหได้เช่นเตือนแล้วแนะนําแล้วในเรื่องที่ดีแต่เขาก็ยังทําเรื่องไม่ดีซ้ำๆทําความเสียหายเดือดร้อนแก่เราเราเลยโมโหแต่ไม่ได้จองเวรจองกรรมกับเขาอารมณ์ขุนมัวเกิดขึ้นได้ไม่นานมันก็ดับลงแบบนี้ยังถือว่าเราดําเนินชีวิต ไปบนความถูกต้องไหมคะก็ยังมีความโกรธอยู่ยังยังต้องไม่ให้เกิดความโกรธขึ้นมาเลยแต่อย่างน้อยเราก็ดับมันได้อย่างรวดเร็วก็ลดความเสียหายลงได้แต่ผลที่เราต้องการในที่สุดก็คือต้องไม่โกรธใครเลยใครจะพูดอะไรใครจะทําอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเราต้องมีอเบรคขามีปัญญาปล่อยวางให้ได้ ใช่ค่ะคำถามต่อไปเพื่อนๆชวนไปกินไปเที่ยวตามเทศกาลต่างๆไปฉลองวันเกิดบ้างแต่เรามองว่าวิธีดังกล่าวเป็นการไปหาความสุขหลอกๆเพราะเราบอกปฏิเสธไม่ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพราะอยากมีเวลาฝึกปีความมากน้อยสันดกปิดวิเวก แล้วเราไม่ได้ทุกข์กับคําพูดที่เพื่อนๆว่าเราไม่แคร์พฤติกรรมในใดแบบนี้เราใช้ชีวิตมาถูกทางเราใช่ไหมคะถูกต้องแล้วเราให้ยึบคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักคนหน่งเ<ช> <ๆ S 2> ขาจะสอนเขาจะพูดอะไรก็ฟังไปเขาพูดไปถ้าขาดกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าตรงกันก็ดีไปก็ถือว่าเขาก็มีธรรมะเหมือนเรา เจ้าค่ะจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ขออนุญาตสอบถามครับความม่วงที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติธรรมมีวิธีจัดการใหม่ครับก็ต้องลดการกินอาหารลงกินอาหารมากมันก็จะทําทให้เกิกาการง่วงนอนได้มากขึ้นบางทีถึงก็บข้ามต้องอดอาหารเลยก็มีพระปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติเข้มข้นนี่บางทีท่านไม่ไม่ฉันอาหารทีละ มันทั้ง 3, วันสามสี่วันสี่ห้าวันก็มีอย่างหลงตามมาหาบัวสมาธิท่านปฏิบัติท่านก็ใช้การอด อ, อาหารบางทีท่านไปทุ่งดงมาอยู่คนเดียวไม่ไปบินธบาติชาวบ้านก็คิดว่าท่านเป็นอะไรไปหรือเปล่าก็เลยมามาดูที่ภักของท่านเอยูท่านก็บอกว่าท่านตอนนี้อดอาหารท่านไม่ไปบินธบาติเพราะว่าการการรับประทานอาหารนี่มันจะทําให้เกิดอาการง่วงเหงาหง่นอนตามมา ทำเป็นตการให้มันเกิดความวง่วงนอนเลยถ้าเรายอมอดอาหารยอมหิวความหิวนี้จะช่วยกระตุ้นกระตุ้นให้มันไม่ไม่หลับถ้าความอิ่มมันจะทำให้หลับสบายดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ธรรมะเราก็ต้องยอมทุกทางร่างกายอยากจะได้ความสุขทางใจก็ต้องยอมทุ ก, กความทุกข์ของทางร่างกายแล้วเดี๋ยวพอเราได้ความสุขทางใจแล้วเรากลับมากินเป็นปกติได้ ไม่ได้หม า, ายความว่าจะต้องอดไปตลอดชีวิตอนะในช่วงที่มันมีอุปสรรคมีปัญหาเกวกับ ค, ความง่วงนอนเหมือนกับกินยาแก้ปวดแก้โรคไข้ไข้เจ็บถ้าปวดศีรษะเราก็กินยาแก้ปวดศีรษะเอาไปถ้าเราไม่ปวดศีรษะแล้วเราก็ไม่ต้องกินก็ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติทำไปแล้วเกิดความง่วงนอนเราก็ต้องยอมกินยาธรรมะอสุสน์เพื่อ อ, อุท า, ารไป แล้วพอเราปฏิบัติธรรมได้จิตมีสติมีความละเลงเบิกบานแล้วต่อไปมันก็ไม่ง่วงแล้วเราก็ไม่ต้องอดอาหารต่อไปเจ้าค่ะจากคุณชุติมาค่ะ ถ, ถามเข้ามาว่าบุญที่เราทำไปฝากเอาไว้กับธนาคารบุญได้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่บุญที่เราทำในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้จะอยู่ในใจของเราเป็นธนาคารบุญจะยังไม่ได้เริ่มต้นเอามาใช้ การสะสมเอาดอกเบี้ยไว้ก่อนจะใช้ก็ตอนที่ร่างกายเราตายไปตอนนั้นเราเริ่มต้องใช้บุญแล้วเพราะเราไม่มีวิธีหาบุญเราต้องเอาบุญเก่าที่เราสะสมไว้ในธนาคารบุญนี้มาใช้ต่อไปแต่ตอนที่เรามีชีวิตยอยู่นี่เรามีแต่ฝากอย่างเดียวไม่ได้ใช้ยิ่งทามากก็ยิ่งได้บุญฝากไว้มากพอตายไปบุญที่เราฝากนี่มันก็จะเอามาใช้มันเบิกมาใช้ได้บุญก็จะพาเราไปสวรรค์ อยู่อย่างสุบอย่างสบายจนการ บ, บุญที่เราได้สะสมไว้มดกกำลังลงเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วเราก็เกิดกรรมาสะสมบุญใหม่ต่อในอท่านี้จากยูทูปพาจารย์เจ้าค่ะผมได้บอกลูกไว้ว่าถ้าผมป่วยไม่รู้สึกตัวและใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ให้แจ้งกับหมอให้หยุดการรักษาผม ทำอย่างนี้จะเป็นการฆ่าตัวตายไหมครับและจะเป็นบาปกับลูกไหมที่เป็นคนแจ้งกับหมอให้หยุดการรักษาไม่เป็นครับมันเป็นการยุติการรักษาท่านเองร่างกายก็ยังอยู่ต่อไปได้หายใจได้เองได้ละได้อยู่ปล่อยให้มันอยุดหายใจเองเราไม่ต้องไปช่วยมันท่านเองไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือเป็นกา ร, กรทำบาปอะอย่างได แต่ถ้าเราถอดเครื่องหายใจแล้วเอาหมอนมาปิดจมูกไว้อย่างเนี้ยอย่างนี้ฆ่าตัวฆ่าเป็นการฆ่าแต่ถ้าปล่อยให้ร่างกายอยู่ตามปกติตามธรรมชาตินี่อยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ไปก็อย่างนี้ไม่เป็นการฆ่าตัวตายอันเป็นการปล่อยวางเจ้าค่ะจากยู u ูบเจ้าค่ะขอเรียนถามว่าการเจริญสติโดยใช้คําภาวนาพุโทโธ จะต้องสัมพันธ์กับลมหายใจเข้าออกใหมครับคือหายใจเข้าพุทธและหายใจออกโทและคำว่าพุทธโทจะลากยาวตั้งแต่ต้นลมจนสุดปลายลมเข้าใหม่ครับไม่ต้องไม่ต้องผูกกันเลยพุทธโทก็พุทธโทไปอย่างเดียวก็ได้ดูลมก็ดูลมไปอย่างเดียวก็ได้ไม่ยุ่งยากแล้วแต่เราแต่ถ้าเราอยากจะผูกก็ได้อันนี้ก็ไม่ห้าม กระลากยาวก็ได้จะไม่ลากยาวก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่ามันได้ผลดีหรือไม่ดีถ้าทําให้ใจสงบได้ไม่คิดได้ก็ใช้ก็ใช้ได้ทั้งนั้นวิธีการตา่างๆแล้วอุบายของการทําสมาธิจึงมีหลากหลายด้วยกันของไม่เหมือนกันแต่ละคนนี้อาจจะมีวิธีปริยย่อยที่อาจจะต่างกันแล้วแต่แล้วแต่ความรู้ความสามารถของแต่ละคนที่จะมาใช้ดัดแปลงให้เข้ากับคำ ควถูกต้องของตนเองเฉะั้นแต่ของแต่ละคนนี่เราไม่จําเป็นจะต้องไปทําเหมือนกันหมดทุกคนแต่โดยหลักก็คือให้มีพุโทโธอย่างเดียวหรือให้มีลมหายใจอย่างเดียวแล้วอย่างถ้าเกิดเราเราสังเกตนะคะว่าเวลาหายใจเข้าลมหายใจมันยินจากไหนถึงตรงไหนแล้วเวลาหายใจออกอุ่นจากตรงไหนถึงตรงไหนแบบนี้ได้ไหมคะไม่ต้องหรอกครเพียงแต่รู้ว่ามันเข้ารู้ว่ามันออกก็พอง่ายกว่า จิตจะได้ไม่ต้องทํางานนั่นต้องการให้จิตรู้เฉยๆก็คือไม่ต้องไปสังเกตมั น, น, นสังเกต ใ, ให้รู้ว่าเข้ารู้ว่าออกรู้ว่าสั้นรู้ว่ายาวนะค่ะเจ้าค่ะจาก y o u ูทูบเจ้าค่ะในโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเลยทั้งคนและธรรมชาติเราควรเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรให้อยู่ได้อย่างไม่ทุกข์ใจมาก เราก็ต้องปล่อยวางชีวิตคือร่างกายของเราว่ามันต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาจะจะแก่จะเจ็บจะตายแบบไห น, นอันนี้เราก็กำหนดไม่ได้แต่ถ้าเรายอมรับความแก่ความเจ็บความตายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันคุณสุริพรารถามเข้ามาว่าการทำมรนานุสติทำอย่างไรคะก็ให้นึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเช่นพระเจ้าสอนพระอนุ์ว่า อนุนเวลาเธอหายใจเข้าแล้วเธอไม่หายใจออกเธอก็ตายเวลาหายใจออกแล้วหายไม่หายใจเข้าเธอก็ตายรู้แคเนี้ยทําตายอยู่แค่ปลายจ ม, มงงงงงงงูกนึง่ที่นมหายใจถ้าอยู่หายใจเมื่อไหร่ก็ตายเลยเมื่อตายก็แสดงว่าเราก็สูญเสียทุกอย่างที่เรามีไปหมดเลยทรัพยสมบัติเข้าของเงินทองญาติสนิทมิตรสหายเ อ, าอะไรก็ตามที่เรามีอยู่นี้รวมทั้งร่างกายของเรานี่ก็เราก็เสียหมดเลยจบ หรือแต่ดวงวิญญาณของเราท่า น, นที่จะไปต่อแล้วที่จะติที่จะติดไปกับดวงวิญญาณก็ควรบุญเมื่อบาทที่เราได้สะสมไว้ในใจของเราเค่ะคุณบันเจดิดค่ะถามเข้ามาว่าถ้าผมตายแล้วผมได้บริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลแต่หากไม่สามารถบริจาคได้ผมได้บอกกับลูกให้ห่างวันที่ใกล้สุดแล้วให้เผาร่างกายนี้ไม่ต้องจัดงาน และพิธีทางสงฆ์การนี้ผมทําอย่างนี้จะผิดหลักของพระพุทธศาสนาไหมไม่หรอกเรื่องของร่างกายหลังจากที่ตายไปแล้วใครยาไปทําอะไรก็ไม่มีผลต่อเจ้าของคือดวงวิญญาณนต่อไปนั้นใครยาไปเผาไปฝังเราไปกินเนี่ยมันก็มันไม่มีผลกับเจ้าของนะเพราะเจ้าของไม่รู้เรื่องนะแยกกันไปแนละ้วดวงวิญ ญ, ญาณก็ไปแยกไปอยู่ในโลกทิพแล้วไม่มากังวลกับเรื่องของร่างกาย เพราะฉะนั้นไม่ไม่เป็นประเด็นจะไปทํำยังไงก็ได้ร่างกายจะไปบริจาคให้โรงพยาบาลก็ได้หรือยาไปทําเนื้อทําจัดปาร์ตี้ให้เพื่อนฝูงกินก็ได้ถ้าเป็นยุคสมัยที่คนเขาชอบกินเนื้อคนกันเขาคงดีใจเวลามีคนตายวันนี้จะจัดงานปาร์ตี้นะ ถามฝากถามส kidnapped. ิคะการฝึกจิตฝึกใจให้อยู่ระหว่างความดีกับความไม่ดีดีก็ไม่ยึดติดกับความดีชั่วให้ละและไม่กลับไปคุ้นคิดในชั่วที่พลาดพังไปในอดีตพยายามฝึกจิตให้อยู่ระหว่างกลางแบบนี้เป็นการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องไหมคะและอยู่อย่างไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นทั้งกายและวาจาใจก็จะอยู่ตามที่พระเจ้าสอนให้ทําบุญให้ละบาป แล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่ทำํำจะได้ไม่ทุกข์กับมันถ้ายังทําความดีได้ก็ทําไปอย่างถ้าละบาปได้ก็ละไปถ้ายังละไม่ได้ก็ทําใจว่ายังละไม่ได้ต้องพยายามละหมันให้ได้อย่าไปทุกข์กับมัน คำถามต่อไปการทำสมาธิในบางคนเกิดมีฤทธิ์ขึ้นมาแบบนี้เรียกว่าได้อภิญยาไหมคะและอย่างเช่นว่ารู้จิตใจบุคคลอื่นว่าคิดอะไรอยู่แต่ต้องอย่าหลงใช่ไหมคะเคย อ, อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าเพราะมันจะทำให้เราไม่มีเวลาไปปฏิบัติจเจริญสติสมาธิปัญญามันจะทาให้เราเป็นเหมือนเล่นเกมอย่างเงี้ย พอไปเล่นเกมก็เลยลืมเวลาเป็นทํางานยืนหนังสือทําอะไรต่างๆการมีฤทธิ์มีอะไรพวกนี้ก็คล้ายๆเปนเหมือนกับการเล่นเกมดีๆงั้นอย่าไปเล่นกับมันนี่เราจะทําให้เราเสียเวลาทําให้เราไม่มานั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบไม่ไปเจริญปัญญาให้เกิดวิปัสสนาพระภาวนาขึ้นมางั้นอย่าไปสนใจถ้าเรามีเล่นนี้เอาไว้ก่อน เราให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานก่อนแล้วค่อยมาเล่นกับฤทธิ์ได้เอาฤทธิ์นี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างพระพุทธเจ้าก็ใช้ฤทธิ์อ่านจิตใจของคนได้ติดต่อกับเทวดาได้สั่งสอนเทวดาได้เป็นต้นอันนี้ก็ต้องมีฤทธิ์มีอภินญะติยธรรมได้แต่มีประโยชน์สําหรับการเผยแผ่ทำหรือช่วยเหลือคนอื่นแต่ไม่มีประโยชน์สําหรับการบรรลุธรรมการการกำจัดกิเลสตัณหาของตนเองก า, การจะกลายเป็นอุปสรรค ขวางกันการปฏิบัติเพงั้นอย่าไปอย่าไปเล่นกับมันถ้าเรามีถ้าเรามีความสามารถเหล่านี้เก็บไว้ก่อนมันจะเรีนสมถต า, า, านภาวนาเข้าฌานให้ได้แล้วออกจากฌานก็พิจารณาตายรักมองให้เห็นทุกอย่างว่าเป็นทุกข์ให้ได้ค่อนเมื่อบรรลุทำกรรมจากกิเลสได้หมดแนละ้วทีนี้จะเอ า, เอาลิตรมาใช้ทําอะไรก็ได้เราเวลาเรานั่งเราเราได้ฌานอะไรอย่างค่ะพระอาจารย์ ไม่ต้องไปสุดใจว่าเราได้ช 1, 2, 3, 4, ันหนึ่งสองสามสี่อะไรนี้ไม่ต้องหรอกขอให้มันมีความสุขก็แล้วกันให้มันนิ่งให้มันสงบอันนั้นพอมันถึงนิ่งสงบนี่เหมือนรถที่เข้าเกียร์สี่ตอนเราขับเกียร์หนึ่งเกียร์สองแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ไปไอป้ามาของเก็คือต้องการให้มันอยู่ที่เกียร์สี่การเข้าชางก็เหมือนกันเราต้องการเข้าชานสี่แต่เราจะผ่านชานที่หนึ่งที่สองที่สามดังอาจจะมีวิตกวิจารณ์มีปิติมีสุขอะไรเราก็ไม่ต้องไปสนใจ พอเราอยู่กับการอยู่กับกรรมฐานอย่างเดียวอยู่ก็ดูลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจบริกรรมพุทธโธก็บริกรรมพุทธโธไปแต่มันจะอยู่ชาติหนึ่งชาติสองไ้วยมัน ไ, ไ, ไ, ไม่ต้องไปสำครไม่ต้องสนใจให้มันไปถึงชาติสี่ให้ได้ใช่ไหมครับและอย่างที่เราทําสมาธิในแต่ละวันนะคะพระอาจารย์อย่างวันนี้เราเราพุโทโธเราอาจจะสมาธิดีอีกวันหนึ่งอาจจะไม่ดีเราเปลี่ยนเป็นดูลม แบบนี้ไปเรื่อยๆได้ใช่ไหมคะหรือว่าต้องต้องพูดโธตลอดหรื อ, อยังไงคะก็ได้เปลี่ยนบ้างก็ได้แล้วแต่ว่าภาวะจิตใจของเราเป็นยังไงบางทีมันไม่ชอบพูดโธอยากจะดูเฉยๆก็ดูเฉยๆบางทีมันไม่ชอบดูเฉยๆอยากจะพูดโธเหมือนกินข้าวอันนี้อยากจะกินก๋วยเตี๋ยวพวกนี้อาจจะกินข้าวต้มก็เปลี่ยนไปตามแต่มันก็เป็นอาหารเหมือนกันใช่ค่ะแต่เวลาเปลี่ยนแล้วอย่าไปเปลี่ยนกลางคัน พยากินข้าวต้มในเครื่องฉาบไม่เอาเว้ยขอเป็นก๋วยเตี๋ยวบางครั้งบางทีมันเหมือ น, ม, นมันอึดอัดก็เลยต้องเปลี่ยนแบบนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องต้องสู้กับมันต่อก็ก็แล้วแต่ลองดูว่าคนนี่พูดไม่ได้เพราเราการปฏิบัติจะรู้เองว่าเปลี่ยนแล้วดีแล้วไม่ดีถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ดีดก็อย่าไปเปลี่ยน จ, YouTube, จ้าค่ะจากยูทูบจ้าค่ะ ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ควรยึดธรรมะอย่างไรให้พ้นภัยเศรษฐกิจไปได้คะมากน้อยสันโดษประหยัดมัธยัตใช้น้อยๆอย ก, กินน้อยๆพยายามเก็บเงินไว้เยอะๆอย่าเอาไปใช้มากเก็บไว้ใช้กับเงินที่สิ่งที่จําเป็นคือปัจจัยสี่งั้นแต่ปัจจัยสี่ถ้ามีพอเพียงแล้วก็อย่าไปซื้อมาเพิ่มเช่นมีเสื้อผ้าพอแล้วก็อย่าซื้อเสื้อผ้าเพิ่มมีรองเท้าพอแล้ว อาหารก็ถ้าลดได้ก็ลดถ้าลดแล้วมันไม่ได้ทำให้ร่างกายเจ็บไายได้ปวดถ้าลดลงไปได้บางทีดีสิร่างกายกําลังอ้วนอยู่อย่าเงี้ยพอมีโอกาสาได้ลดน้ําหนักแล้วเพราะไม่ ม, มีเงินซื้ออาหารมา ก, มากๆเหมือนเมื่อก่อนนี่กลับเป็นคุณเป็นประโยชน์กับร่างกายสิแล้วบางทีความความทุกข์ยากทางเงินทองนี่อาจจะช่วยให้รักษาร่างกายเราให้แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีขึ้นก็ได้ เราจะได้ไม่กินตามใจตามใจปากเราเรากินตามตามกำลังเงินที่เรามีอยู่มีน้อยก็กินน้อยพอกินน้อยร่างกายก็ลดลดน้ำหนักลงโดยอัตโนมัติก็ดีไปเจ้าค่ะยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะอะมีใครอยากจะถามไหมเชิญถามได้นั้นช่วงนี้เรายังมีเวลาอยู่บ้างนิดหน่อย แต่ถ้าเลิกแล้วต้องขออภัยนะอย่ามาถามเพราะว่ามันไม่สะดวกต้องมีทุระทำอย่างอื่นแล้วมีญาติโยมเข้ามาลาบ้างมาขอถ่ายรูปบ้างมันก็เลยฉุกและหกกันไม่สงบเหมือนตอนนี้การสนทนาธรรมต้อง ส, สนทนาในสภาพที่ที่สงบไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการกระทำอะไรต่างๆเช่นตอนนี้จะได้มีสติมีการการติดตามการฟังได้อย่างต่อเ น, นื่องแลวจะเกิดความเข้าใจดีขึ้น ถ้าไม่มีใครถามมีคำถามเข้ามาหรือยังคำถามใหม่ยังไม่มีนะถ้าไม่มีก็เอาท่านนี้ก่อนสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปที่นิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเธอดสาธุ